มาก็ตั้งใจจะนาเรื่องเขียดมาให้โยมฟังครึ่งชั่วโมงโยมมาทนฟังหน่อยก็แล้วกันพวกโยมมาปฏิบัติธรรมก็มีทั้งตั้งใจมาแล้วก็ถูกบังคับไป ม, มาแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะว่ากาลเวลาผ่านไปเจ็ดวันนี้แป๊บเดียวแต่ถ้าโยมตั้งใจถูกนะแบบไหนๆก็โดนบังคับมาแล้วก็ตั้งใจในการมาปฏิบัติธรรมเวลามาฟัง บางทามเวลามาทําวัดสวดมนต์เนี่ยเราก็ตั้งใจเลยทําให้ได้บุญได้กุศลด้วยแต่ถ้าโยไมไปตั้งใจมาปฏิบัติเนี่ยเราก็ทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วประโยชน์ก็น้อยบุญกุศลก็ไม่เกิดเพราะบุญกุศลเกิดที่ที่ตั้งใจท่านการตั้งใจดีกว่าไม่ตั้งใจเมื่อก่อนมีเรื่องเล่าที่วัดของหลวงปู่ขาวทํากองเพลนมีแม่พาเด็กมาทําบุญที่วัด เด็กน้อยอายุ3าขวบเด็กสามขวบเนี่ยเลือไปเห็นที่ฝาบาศของหลวงปู่ขาวเนี่ยมีลูกง้อที่แก่แล้วสีขาวน่ากินเด็กเห็นเด็กก็อยากกินหลวงปู่ขาวสังเกตเห็นจึงเข้ามาคุยกับเด็กน้อยถามว่าอยากกินไหมหนูน้อยบอกอยากกินหลวงปู่บอกก็จะให้แต่ต้องแลกกันเด็กน้อยบอกทาําไงหลวงปู่บอกให้นั่งสมาธิเด็กก็ถามว่านั่งไงหลวงปู่ก็สอนน่ะแล้วบอกให้บริกรรม หมักเงาะหมักเงาะเด็กก็ทําตามเด็กก็นั่งไม่ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าด้วยความอยากกินลูกเงาะจึงนั่งบริกรรมหมักเงาะหมักเงาะอยู่ตั้งแต่เช้ามาลืมตาอีกทีก็ได้ยินเสียงะระฆังดังขึ้นตอนนั้นก็เป็นเวลาบ่ายสาแล้วสืบแล้วเด็กน้อยเนี่ยนั่งสมาธิตั้งเชั่วโมงแล้วตั้งแต่เช้าโดยลืมตาขึ้นมาในหลวงปู่ขาวด้า น, นเพื่อนอยู่ในศาลาเนี่ยไม่มีคนเลยทั้งการนั่งสมาธิ บางครั้งจึงไม่เกี่ยวกับรูปแบบแต่อยู่ที่ความตั้งใจบางครั้งใช้กิเลสมาล่ออย่างวิธีสอนลูกบูขาวก็ได้ผลทำให้ดูน้อยเนี่ยจิตสงบพอจิตสงบปุ๊บมันก็เกิดปิติหล่อเลี้ยงการนั่งก็เลยไม่เบื่อมีความสุขสบายในการนั่งสมาธิการเวลาก็ผ่านไปเร็วแล้วมีอีกหลายหลายอาจารย์ที่ใช้อุบายสอนลูกศิษย์อย่างลูกบูมั่น มีอีกครั้งหนึงท่านขึ้นไปเชียงใหม่กับหลวงปู่เทศขึ้นไปอยู่บนเขาแห่งหนึ่งบนเขานี้ก็มีชาวเขาชาวเขาส่วนมากจะรับถือผีแล้วก็ระแวงว่าหลวงปู่หลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เทศเนี่ยจะเป็นเสือสมิงปลอมปลอมตัวมาหรือเปล่าปลอมมาเพื่อจับชาวบ้านกินหรือเปล่าก็เลยสงสยัยหัวหน้าชาวเขาเนี่ยก็ให้ลูกบ้านเนี่ยมาแอบดูก็เห็นหลวงปู่มั่นเดินจงกรมไปเดินจงกรมมา แล้วก็นั่งสมาธิทั้งวันแล้วก็ไม่เป็นภัยอะไรกับคนในหมู่บ้านหลายวันเข้าก็เลยคลายความกัดกลัวตัวหัวหน้าก็มาถามหลวงปู่มั่นว่ากําลังหาอะไรอยู่หลวงปู่มั่นก็ตอบว่ากําลังเดินหาพุโทโธอยู่หัวหน้าชาวเขาก็สนใจบอกว่าจะช่วยหาและพุโทโธเป็นยังไงเป็นดวงแก้วใช่ไหมหลวงปู่มั่นตอบว่าใช่ เป็นดวงแก้วแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วเห็นนรกสวรรค์ได้ไหมหลวงปูม่ม่นบอกเห็นได้แล้วก็ให้หัวหน้าชาวเขาเนี่ยลองนั่งสมาธิที่ดูสัก20่นาทีก็ตกลงก็ลองนั่งดูหัวนั่งไปนั่งมาจิตก็เกิดความสงบเย็นด้วยนิสง์การนั่งสมาธิเนี่ยก็ทําให้หัวหน้าเจ้าวเขาซาบซึ้งในรสประทมจึงบอกให้ลูกบ้านเนี่ยมาช่วยหลวงปู่ม่านตามหาพุทโธ พวกชาวเขาก็ฝันว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยนำความสว่างมาให้ก็เลยมานั่งพุดโธกันตอนหลังก็เลยนั่งสมาธิกันเป็นเพราะหลวงปู่มั่นใช้อุบายอันที่เป็นการสอนที่ได้ผลชาวเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่หลวงปู่ม่านไปสอนด้วยแล้วมาหลวงปู่ดุลที่วัดปูรพารามจังหวัดสุรินทร์สมัยก่อนหลวงปู่ยังไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางจะเดินทุ่งอยู่มีอยู่วันหนึ่งประมาณสองทุ่มนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่ง นักเลงกลุ่มนี้ก็มีวิสัยดุร้ายออกไปทางเกือบๆจะเสือแหละเกือบๆจะเป็นโจรเพราะทราบข่าวว่าหลวงปู่ดูลมาปรากฏอยู่ก็เข้ามาหาพาลูกน้องมาด้วย5้าคนตั้งใจจะมาขอของดีหรือคาถาค่มไว้ป้องกันตัวเพราะว่านักเลงกลุ่มนี้สร้าขัตูไว้เยอะต้องมีเรื่องมีเรื่องแบบใช้อาวุธตีรายฟันแทงกันอยู่เป็นประจำคือชีวิตไม่ฟ้ามั่นคง ข้าไปถึงก็กราบหลวงปู่ดูลแล้วก็จะมาขอของดีขอหลวงปู่ช่วยสอนให้หลวงปู่ดูลบอกไม่มีปัญหาสอนให้ได้แต่มีเงื่อนไขตรงที่ว่าต้องอาศัยพลังจิตเพราะว่าการฝึกของดีต้องอาศัยพลังจิตที่ที่มีคุณภาพพลังจิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการนั่งสมาธิเพราะไม่ไม่ชนะแล้วจะเกิดอาถรรพ์เข้าตัวอย่างรุนแรงพวกกลุ่มนักเลงได้ฟังดังนั้นด้วยความอยากได้ของดี จึงรับปากหลวงปู่ว่าจะฝึกนั่งสมาธิหลวงปู่ดุลก็ให้นั่งประมาณ20่นาทีหัวหน้านักเลงนั่งไปสักพักหนึ่งก็เกิดปิติซาบซ่านขนลุกขนพองมีความสุขสักพักหนึ่งก็เห็นนิมิตต่างๆที่ตนเคยทําไม่ดีมาเห็นผ้าบัวควายที่ตนเองเคยฆ่าเห็นคนที่ตนทำร้ายดินทุรนทุรายเห็นสิ่งที่ตนทําไม่ดีต่างๆในอดีตอะ ปรากฏขึ้นมาหลวงปู่ดุลก็ให้ทําต่อไปเรื่อยเพื่อจะผ่านได้พวกหัวหน้าเรงแล้วลูกน้องก็ทําตามคืนนั้นก็เลยฝึกนั่งสมาธิกันทั้งคืนคันลุ่มเช้าจิตใจของพว้นักเรงก็เปลี่ยนเพราะเห็นและได้รับความสงบจากการนั่งสมาธิคือสัมผัสความส ง, งบเย็นและเห็นสิ่งที่ตัวเองเคยทําพิธีมาก่อนจึงเปลี่ยนจากอยากได้ของดีกลายเป็นให้สัญญาณหลวงปู่ว่าจะขอกลับหรือกลับตัวเป็นคนดี จะไม่ทําชั่วทาบาปอีกแล้วตลอดชีวิตนั้นอธิสงของสมาธิหรือการเจริญสติเนี่ยมีอธิสงมากสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนได้แต่เกิดโยมอ่านหนังสือหรือแค่ฟังเฉยมันือนฟาร์มรู้จากคนอื่นบางทีเราไม่เห็นกิเลสตัวเองเราไม่รู้จักความโลภความโกรธความหลงความขี้ฉ้า ความเปรียบเทียบความเห็นแก่ตัวความเหงาและอื่ๆมากมายแ่ละแต่ถ้าเรามามาฝึกสติมานั่งสมาธิเนี่ยมันจะเห็นมันจะเริ่มรู้จักตัวเองเพราะกิเลสต่างๆเนี่ยบางทีมันครอบงำจิตใจเราบางคนติดการพ น, นันติดไพ่ติดบอลติดมวยติดอะไรก็ได้ที่เราชอบอะติดแบบฝังลึกเลยพอเราไม่ได้เสพเราก็เกิดอาการต่างๆอย่างบางคนติดบุหรี่ ติดเล่าเนี่ยบางคนถึงเวลาก็อยากกินแล้วเพราะกิเลสเรียกร้องแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมไปนานๆเนี่ยเราจะเห็นภาพพวกคนนี้แหละนำความทุกข์มาให้เราบางคนก็บ้างงานตลอดชีวิตเนี่ยเป็นท่าของงานก็มีแล้วก็ตายไปเงินก็ไม่ได้ใช้ได้เงินมาก็มารักษาตัวเพราะทำงานมากไปไม่มีเวลาพักผ่อนก็มีเยอะแยะหมดคือประเภทที่ว่าคนทาไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทา อย่คจีสบายก่อนจะคิดแบบนี้แหละเราจะหาให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเลยลูกหลานก็ผ่านหมดอันนี้ก็ว่าชีวิตที่ขาดทุนแต่เราเข้าใจชีวิตเดี๋ยวรู้ว่าเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเจ็บป่วยเดี๋ยวเราก็ต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจญาติพี่น้องเราก็อยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปเราไม่จากเขาเขาก็จากเราสิ่งของต่างๆก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องมีเสียมีซ่อม ไม่มีอะไรที่ไปขอเราจริงเลยทักอย่างเดียวคนรักก็เหมือนกันเราอยู่กันทุกวันทุกวันมันแก่ช้าเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตแต่ถ้าอยู่นานๆเจอกันทีเนี่ยจะสังเกตเห็นความไม่เที่ยงในง่ายจะเห็นรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปบางคนผอมก็จะอ้วนขึ้นหรือบางคนอ้วนแล้วผอมลงก็มีบางทีผมก็เริ่มงอกจีนกาก็เริ่มลึกขึ้นลึกขึ้นสายตาก็เริ่มเสื่อมถอยหูก็ชักไม่ค่อยได้ยิน ผิวก็เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วเพราะธรรมชาติเนี่ยมันเอาคืนถ้าคนอายุ4ี่ปา่าขวาขึ้นไปเนี่ยจะเห็นได้ชัดชีวิตขาลงแต่ถ้าอายุ20กว่า10กว่าจะเห็นได้ไม่ชัดหรอกเพราะว่าลึกๆแล้วจิตมันก็หลงร่างกายตัวเองว่าเป็นของดีของสวยของงามอายุสี่กว่าจะเห็นได้ชัดมากเลยแหละช่วงที่ลงอย่างเดียวอย่างอาตมาเนี่ยชอบพวงนักร้องหรือดาราหนังเก่าๆชอบดูหนังฮุกชอว์บัเตอร์อะไรพวกเนี้ย พวกตีตีหลงเดวิเจียงหรือพวกดาราเก่าอะแต่ตอนนี้ก็ไปดูทีดิแต่ละคนแก่งหักเลยผมเผอมงอกหน้าตาเปลี่ยนไม่เหลือเขาโครงของความหล่อแน่ดีแล้วเราไปดูที่เราชอบชอบชอะสรพงษ์สมบัติแล้วก็พวกนักร้องดงัดงๆนักร้องอ่านมาก็าชอบเพลงเก่านะแต่ส่วนใหญ่ตายหมดแล้วเมื่อเป็นเป็นสุรพลเป็นก้าน เป็นพวกภัยวันยอดรักษายันหรือบางคนก็แก่มากใกล้จะตายเหมือนกันนั่งรอผู้หญิงก็ชอบหลายคนอ ย, อย่างพวกวงใจไพลโรธทองศรีวรนุชเนี่ยก็แก่หักแล้วตอนนี้ถึงมีชีวิตอยู่ทุกคนไม่สามารถรักษาสภาพไว้ไดไ้เป็นอดีตเท่านั้นเองอันที่เราเห็นได้ชัดพวกโยมเหมือนกันเดี๋ยวต้องแก่ การที่เรามาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นกําไรชีวิตทำให้เราเนี่ยมารู้จักตัวเองเหมือนหมอหมอที่รู้อาการของโรคอะ่ะแต่ถ้าโยไม่รู้ว่าเราป่ยวยเป็นโรคอะไรเนี่ยหมอเขาจัดยาให้ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยเห็นแก่ตัวเวลาคนมาถามเราก็ไม่รู้เหรอเห็นแก่ตัวนะโดยเรื่แล้วคนเราเห็นแก่ตัวเพราะว่าความคิดมันหลอกหมดแหละมันจะป้องกันตัวเองบางทีเราโลคอยากได้รู้ได้เนี่ยแต่ความคิดมันก็หลอกนะเวลาใครใครมาถามเราก็จะบอก ป้องกันตัวเองอะโดยธรรมชาอัตตาเนี่ยมันจะจะป้องกันปกป้องตัวเองทุกอย่างแล้วโกรธอารมณ์โกรธจะดูง่ายหน่อยไม่มีใครอยากโกรธหรอกเพราะโกรธปุ๊บเนี่ยมันเผาผลาญจิตใจโกรธแล้วก็อยากให้ไปเร็วๆอารมณ์หลงจะดูยากหลงตัวเองหลงสิ่งของวัตถุต่างๆเนี่ยอารมณ์หลงเป็นกิเลสที่ดูยากศึกษายากแต่เราก็เราก็ต้องเรียนธรมรมะเนี่ยถึงจะรู้โรคกรหลงถ้าเราไม่มาจอสติ เราก็จะไม่สามารถดูอาการของโลกออกเราเป็นคนยังไงกันแน่เพราะโดยธรรมชาตินี่กิเลสไม่หลอกว่าเราเป็นคนดีแต่จริงเราเป็นคนไม่ดีหรอกอย่างรำบาวดีแบบรว่าคิดว่าตัวเป็นคนดีตอนหลังรู้ไม่ใช่หรอกเราเป็นคนที่ไม่ดีอะไรเยอะแยะหมดอะแต่ว่าคนทั่วไปจะคิด่าตัวเป็นคนดีนะมีคุณธรรมรักความถูกต้องที่ยิงความคิดบัหลอกความคิดบัหลอกอะไรอีกเยอะแยะหมดที่ทุกวันนี้โลกทะเลาะกันคนแบบประเทศต่างๆทะเลาะกัน หรือมีม็อบต่าง ๆ, ๆเนี่ยก็จาความคิดตรงนั้นเลยความคิดแล้วก็ทิฏฐิไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าแต่คนต่างคนต่างก็มีกิเลสไม่เหมือนกันเลยแหละบางคนชอบอย่างนี้บางคนก็ชอบอย่างนู้นอย่างเพลงเพล ง, เพลงเดียวกันเนี่ยบางครั้งคนที่ชอบก็เสียเงินซื้อแต่ถ้าคนไม่ชอบให้ฟรียังไม่เอาเลยหนังก็เหมือนกันยสังเกตได้คนเราจะมีกิเลสแตกต่างกันถ้าคนที่ชอบไปเสียงเงินซื้อคนที่ไม่ชอบมันไม่ให้ฟรียังไม่เอาเลยเสื้อผ้าก็เหมือนกัน ของกินก็เหมือนกันทุกชนิดแหละหลวงปู่อีกท่านหนึ่งที่มิวบายสอนลูกศิษย์ก็คือหลวงปู่ดู่กกวัดสแกจังหวัดอยุธยามีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์เนี่ยพาพาเพื่อนมามาหาเพื่อนคนนี้เป็นคนขี้เมาหลวงปู่ก็บอกให้รักษาศีลศีลห้าแต่ช้ยขี้เมาคนนี้ไม่รับปากหลวงปู่เพราะเห็นว่าตัวเองกินเหล้าอยู่อะ่ะศีลห้าคงรักษาไม่ได้แน่ถ้ารักษาต้องอดเหล้า คนสมัยก่อนรักษาคำพูดนะถ้าพูดอะไรกับครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องทำตามไม่อยากเสียสัศนะหลวงปู่ดูลก็เลยบอกว่าเอามีกันเองอน่ะนั่งสมาธิข่าวันละห้าทีทำได้เปล่าหลวงปู่ไม่ได้ขอให้รักษาศีลชายขี้มเมาเห็นว่านั่งสมาธิวันละห้าทีเนี่ยเรื่องเล็กมากถึงตกลงแล้วปากหลวงปู่ไปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบถือเวลาก็นั่งสมาธิวันละห้าทีคือชานี้ติดเหล้านะ แต่กาบิสะจ่าไงตั้งกติกาไว้เลยว่าวันหนึ่งจะนั่งร่างสบายที่หทีถ้าถึงเวลากินเล่าแกก็ไม่กินต้องนั่งก่อนทำนี้ทุกวันทุกวันทุกวันใหม่ๆก็ทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละก็เปิดพวกโยมมาปฏิบัติธรรมาแหละเพราะว่าการเคลื่อนมือเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เห็นผลหรอกมันต้องใช้เวลาเหมือนกันมันจะเริ่มปฏิบัติเองแลต่อเมื่อเกิดปิติเกิดเห็นฟ่าเปลี่ยนแปลงทางจิตแต่ช่วงใหม่ๆมันทําไป จิตมันจะไม่เห็นอะไรไม่รับรู้อะไรอะ่ะมันก็ยกมือมือก็หนักเดินจงกรมเท้าก็หนักเดินไปฟุ้งซ่านไปยกมือไปนี่ก็ทุกไปเมื่อไหร่เวลาจะหมดนาทีอาจารย์นยบังคับอย่างเลยกลายเวลาผ่านไปคือโมงนานมากคนที่ยกมือแบบเก๋าเก๋าอ่ะสองชั่วโมงก็ไม่เป็นไรยกไปมือเบาไปแต่พวกที่ไม่เคยยกเนี่ยสิทียีทีจะตายแล้วเพราะว่าหนักมากเลยมือแต่ให้ไปขุดดินเนี่ยขุดได้ทั้งวันแหละ ให้ไปกุดดินไปทํางานแบกหามเนี่ยไม่หนักหรอกเพราะการเคลื่อนมือเนี่ยมันมันไปขัดฝางความคิดไม่ให้ความคิดทํางานถนัดนั้นฝากคิดจึงไม่ชอบพองทีก็ทําไปง่วงไปแต่ถ้าทําไปง่วงไปไี่ใช้ได้นะแต่ทําทไปฟุ้งซ่านไปที่ใช้ไม่ได้เพราะทําไปง่วงไปเนี่ยปฏิบัติถูกทางแล้วใช้ยขี้เมานั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งจิตก็เกิดรวมขึ้นมา เกิดปิติขึ้นมาได้รู้รสชาติของการนั่งสมาธิจาก5้าทีตอนหลังแกก็เพิ่มเป็นสิบที 15- บห้าทียี่สทีตอนหลังก็นั่งได้หลายชั่วโมงแล้วสุขจากการนั่งสมาธิเนี่ยมันละเอียดกว่าสุขห ย, ยาบหยาจากกินเหล้ากินเลหล้าหรือหรีหรือเล่นกนารพานันกิีฬาหยาบอ่ะตอนหลังก็เลยเลิกเลยโดยไม่มีใครใช้เลิกเพราะรู้ว่าการกินเหล้าไร้สาระทํำลายสุขภาพด้วยเดี๋ยวป่วยก็ต้องไปหาหมอ ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำลายสติอีกต่างหากไอ้นี้เป็นวิยสอนทางของหลวงปู่นะจากชายที่เมาสามารถฝึกสมาธิได้ครูบาอาจารย์ทำอยู่บายโดยไม่สอนตรงเพราะโดยธรรมชาติแล้วคนจะจะดื้อถ้าสอนตรงเนี่ยมักมักไม่คได้ผลนะจะต้องสอนไม่ให้รู้ว่าถูกสอนแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะอย่างพวกโยมกลับบ้านไปเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตประจาวันกับโลกธรรม มีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสรรเสริมีดินทาอันนี้หลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยบางครั้งเราทําดีแต่บางครั้งก็ไม่ถูกใจคนอื่นก็ได้ไม่ใช่ว่าทําดีต้องถูกเสมอไปถูกอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ถูกอีกคนหนึ่งเรื่องการโดนดินทาหรือเข้าใจผิดเรื่องธรรมดาเพราะบางครั้งเราเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลยแล้วน้ำภาษาอะไรคนอื่นจะมาเข้าใจเราฉั น, นั้นเราก็ต้องวางใจหรือมองโลกหรือแง่บวกอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเชนั้นเอง เพราะว่าบางครั้งการเจริญสติอย่างเดียวเนี่ยไปใช้กับทางโลกไม่พอจะต้องมีสมาธิทิ่มีปัญญาด้วยมีหลวงพ่ออยู่ท่านรูปหนึ่งท่านอยู่จังหวั ด, ดอุดรตลอดชีวิตท่านเนี่ยท่านมีความสุขคือท่านเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีท่านมีชื่อว่าหลวงหลวงพ่อดีเนาะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาท่านก็ดีเนาะมีวันหนึ่งลูกศิษย์นิมนท่านไปฉันเพลและแสดงธรรม เพลินวันนั้นรถที่จะมารับหลว ง, งพ่อเนี่ยก็เสียต้องซ่อมหลวงพ่อรอรอต้องนาตอนแรกตั้งใจว่าจะไปฉันที่บ้านงานท่านเห็นไม่มาดีท่านก็เลยนำอาหารที่บิณฑบาทมาฉันท่านก็พูดคือว่าฉันอาหารก็เราก็ดีเนาะตักฉันได้ไม่กี่คำลูกศิษย์ก็มารับแล้วต้องรีบไปหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะ ไปฉันบ้านงานก็ดีท่านก็นั่งรถไปรถวิ่งไปได้สักพักนึ่งรถก็เสียอีกคนขับก็ลงไปซ่อมหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะได้ชมอยู่ข้างทางคนขับซ่อมแล้วรถก็ยังไม่ติดจิวาวานให้หลวงพ่อช่วยเขน็นหลวงพ่ออายุมากแล้วหลวงพ่อเข็นรถไปหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะจะได้ออกลังกายแต่ก็เข็นจนติดนั่นแหละ แล้วก็วิ่งมาบ้านงานเนี่ยก็เลยเล ย, เลยเวลาเที่ยงแล้วหลวงพ่อดีเนาะก็เลยอดฉันไปถึงเจ้าภาพก็นนิ ม, มนต์ขึ้นทํามาเทศเลยหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทํางานเลยหลวงพ่อก็เทศไปเรื่อยๆลูกศิษย์ก็ชงกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนไปหยิบเกลือใส่แทนน้าตาลหลวงพ่อฉันไปได้คําดึงหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะทานกาแฟหวนมานๆมามากแล้ว แล้ววางแก้วไว้แล้วลูกศิษย์เห็นหลวงพ่อฉันเหลือขอทานต่อเพราะว่าหลวงพ่อดีเนาะไปเกจีอาจารย์ชื่อดังการที่ได้รับประทานของเหลือจากคูบาอาจารย์เนี่ยถือเป็นมงคลประธานไปได้คำหนึ่งก็พ่นพูดออกมาเลยบอกหลวงพ่อฉันไม่ได้ไงเนี่ยคิ ป, ปิดปีหลวงพ่อก็กดีเนาะแล้วก็หัวเราะยิ้มยิ้มไม่ว่าอะไรท่านมองโลกในงแงด่ดีหมดแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจดใจกันมากคือไปโจรมาป้นท่านโจรมาถึงก็คมขู่เลยของมีค่าให้ส่งไหให้หมดถ้ากาดขืนตายหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มก็บอกก็ดีเนาะเองกขาไปก็ดีค่าจะได้ไม่ต้องมอาเฝ้าสมบัติเหล่านี้ไม่ต้องมาดูแลรักษาโจรมันก็บอกไม่ได้มาป้นอย่างเดียวต้องฆ่าด้วยนะเมื่อปิดปากหลวงพ่อบอกฆ่าก็ดีเนาะ ถ้าเองอะแก่มากแล้วเบื่อต้องมาดูแลร่างกายที่เสื่อมโทรมลงทุกวันโจรไม่เคยเจอคนแบบนี้ก็เลยใจอ่อนก็เลยบอกถ้างั้นฉันไม่ฆ่าก็ได้หลวงพ่อบอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรมันก็บอกหลวงพ่อจะเอาไงกันแน่ฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีหลวงพ่อบอกว่าถ้าเองฆ่าข่าเนี่ยเองก็ต้องถูกตำรวจตามจับเผื่อโดนตำรวจฆ่าตายตายไปต้องไปตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด เป็นบาปการติดตัวไปตลอดเพราะฉะนั้นเองไม่ฆ่าข้าน่ยจึงดีเนาะโจรได้ฟังดังนั้นก็เกิดสำนึกผิดก็เลยวันนั้นเปลี่ยนใจเลยไม่ป้นด้วยแล้วไม่ฆ่าด้วยแล้วก็จากไปมือเปล่าอันนี้เป็นการมอโรในแง่ดีของหลวงพ่อทั้งที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงสู้โจรนะเผื่อโดนโจรฆ่าตายเพราะห่วงสมบัติเพราะหลวงพ่อท่านไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์ต่างๆเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็เหมือนพวกโยมนี่แหละมาปฏิบัติธรรม อาจจะทุกข์ใจมากถูกอาจารย์สมใจ บ, บังคับแต่เราก็เปลี่ยนอวุกีดให้มีกวาสึกว่าปฏิบัติ ท, ทําร่วมอาจารย์สมใจไปเลยไหนๆก็จะบังคับแล้วสู้ตายเจวันแป๊บเดียวไม่ตายหรอกถ้าทําไปเรื่อยๆโยบสะดวกการปฏิบัติเนี่ยอันนี้ส่งจะเกิดนะแต่ถ้าเราทําไปทุกไปเนี่ยอันนี้ส่งไม่เกิดหรอ ก, ากอา่ารย์มาพูดให้โยมฟังเนี่ยอาจมามีความสนุกการเทศครึกกระโองเนี่ยเวลาหมดแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวอย่างไวร์มันติดปีกเลย แต่ถ้าเกิดอารมาเนี่ยเทศให้โยมฟังอารมาตัวไม่สนุกด้วยเนี่ยโยมฟังนานนะคืนยี่โมองอารมาเทศทุกครั้งเนี่ยคืนยี่โมงไว้แงะบางทีเอา้าหมดเวลาอีกแล้วตอนแรกก็ตั้งใจให้โยมเครียดไปมาโยมไม่เห็นเครียดเลยเลยไม่รู้จะทำไงเพราะว่าการที่มาฟังธรรมเนี่ยโยมก็ต้องมีอารมณ์ร่วมอารมาคนพูดแล้วแหละคือ ถ, ถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งพูดแล้วโยมไม่ร่วมฟังก็ไม่รู้เรื่องหรอกอารมาถือว่าโยมก็หน้าตาตั้งใจฟังอารมาดีก็ร่วมมือ ก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยเห็นว่าหมดเวลาแล้วก็ท่องกรอยมฟังสกักกอ น, นึงปิดท้ายก่อนเสียงปลุกธรรมรับอรลุนสุริโยไทยไขยแสงใกล้แจ้งแล้วฝูวิหกร้องเจ้าแจ้วสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมู่ปักษายังขยนันหมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใยเล่า ตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิจสินแสวงหาธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมลทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี่น้อยนักอย่าช้าชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะภายนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาด กว่าสัตว์ทั้งผองขอวิ่งวอร์ให้ท่านจงใต่ตองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอรูสายเป็นัจดใจในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีชี้แจมสายเมื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านซ้ายตื่ น, นรับสรับธรรมก็ขอความสุขความเจเริญจงมีแก่ญาติธรรมทุกท่าน